ท่านทังที่เครพคะผ่านไปนะคะนั่นก็คือธรมรมชาคววโรวัดนาปราพงซึ่งกำลังจะทอดกระถินในวันที่สี่ที่จะถึงนี้คือเดือนพฤศจิกายนเดี๋ยวเราไปพบกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งนะคะจากวัดป่าดอนไ้โสจังหวัหอดอุดรธา น, นีคือพระพยัยบุ์อภิปุลโนค่ะกลับมัสการกับทั้งคะเจริญบารมี ค่ะแต่ช่วงนี้ดินฟ้าอากาศไม่ค่อยดีแต่ว่ารายการเราก็ยังมาพูดกันอยู่เสมอพออากาศเปลี่ยนแปลงที่อุดรธานีนี่ก็อากาศเย็นช่วงเช้าเช้อกลางวันอฝนตกนิดหน่อยก็มีหมอกละตอนเช้าอืมางคนข้าจะชอบนะคะอากาศเย็นๆอย่างนี้อากาศไปปฏิบัติธรรมในช่วงอากาศเย็นนี่ก็ได้อืเดือนนี้ปฏิบัติธรรมเข้าคอร์สกันไปหรือยังคะวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบแปดตุลาคม อ๋อตุลาคมนี้จะเป็นยี่สิบถึงยี่สิบแปดอาจจะเป็นเวลาดีของใครก็ได้เพราะว่ามีวันหยุดยาวช่วงปิดเทอมนะมีวันยี่สิบสาไหมคะอ๋อใช่ใช่ใช่ามรารแล้วก็ถ้าเกิดจะนับตั้งแต่วันเสาร์ยี่สิบไปเจอยี่สิบเอดวันอาทิตย์ใช่ไหมคะหยุดต่ออีกวันหนึ่งยี่สิบสองก็ไปเจอวันที่ยี่สบสามที่เป็นวันราชการขาดงานได้น้อยหน่อยว่า ง, งั้นเถอะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรม ยังสมัครทานไหมคะเนี่ยเอ่อแต่ของเดือนตุลาคมนี้เต็มแล้วอ้าวแล้ววัดป่าดอนหายโศอุดรธานีดิฉันเกินเรื่องกรถิ่นบ่อยก็ถามอีกสักครั้งหนึ่งนะคะตามพุทธวจนะกรถิ่นคืออะไรคับท่ะกรถิ่นก็คือผ้าประเภทหนึ่งนีที่ใช้คําว่ากรถิ่นนี่ก็เพราะว่าเป็นลักษณะที่ว่ามาร่วมกันทำแล้วก็เฉพาะเวลาในช่วงเวลาที่พระเจ้ากําหนดให้ก็คือตั้งแต่วันออกพรรษาไปจนดึงเดือนช่วงเดือนนี้ผ้าที่ถวาย ในช่วงนั้นเน่ก็เรียกว่าภาคกรินค่ะนะคะก็จะได้เข้าใจกันในเรื่องของการทอดกริ่นสั้นๆและสําหรับท่านที่ชอบทําบุญแล้วก็ต้องการที่จะทําบุญกับวัดที่ครูบาอาจารย์ได้เมตตามาสอนเรายกตัวอย่างเช่นอย่างกับวัดตาดอนไฮโซที่ยังเปิดสอนกับคนอีกเป็นจํานวนมากนะคะก็ วันที่11พฤศจิกายนรายละเอียดเรื่องขออนุ ญ, ญาตพูดต่อหน้าท่านเพบู์เลยนะคะว่าได้ฝากเอาไว้กับทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเขียนมาให้เรียบร้อยว่าท่านที่มีความประสงค์จะทำบุญแต่ไปไม่ได้จะร่วมในการทำบุญผ้ากถิ่นซึ่งมีโอกาสแค่หนึ่งเดือนหลังจากเข้าพรรษาเท่านั้นแล้วก็ต้องมาเป็นการร่วมแรงร่วมใจในการทาผ้าขึ้นมาเพื่อถวายพระภิกษุผู้สมครจะได้รับ น, น, นะคะว่า อาจจะเป็นอย่างไรกันจะได้สะดวกในการที่จะประสานงานค่ะตอนนี้เราก็จะมาสนทนาธรรมกันต่อนะคะยับานซึ่งหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วท่านเพริบูลได้พูดในเรื่องเดียวกันกับช่วงที่หนึ่งก็มีท่านฟังนะคะแสดงความชื่นชมมาว่าการที่ขยายในพื้สูตรที่ผ่านมานี่ก็ดีเหมือนกันก็เป็นการเพิ่มให้เข้าใจได้มากขึ้นอทีนี้ในวันนี้ค่ะก่อนหน้าที่จะมาถึงช่วงนี้ ท่านมาเนี่ยได้พูดถึงพุทธวจนะในบทที่เกี่ยวกับอนิสงค์ของอานาปานาสติสที่ช่วยให้สติปัฏฐานสี่เจริญในส่วนของกายานุปัสสนาค่ะอก็อธิบายตรงนี้เลยว่าถ้าถ้าพระเาพูดถึงตรงนี้นะก็คืออานาปานาสติเป็นเหตุนะสติปัฏฐานสี่เนี่ยเป็นผลหมายความว่าถ้าเราต้องการเจริญสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมเราต้องทําเหตุ เหตุนั้นก็คืออนาปานสตินั่นคือการมีสติในลมหายใจผลที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเอ๊ะไอสติปัฏฐานสี่ในมีอะไรบ้างทําความเข้าใจเรื่องสับสนิดหนึ่งคุณยมติวคือว่าสติปัฏฐานสติปัฏฐานเนี่ยนะเราฟังกันมาบ่อยเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยหมายถึงว่าคำว่าสติก็คือความระลึกได้ใช่ไหมฐานเนี่ยก็คือฐานที่ตั้งถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยให้สำเนียงมัน เ, เขาเรียกว่าพ้นประตูวัดซะหน่อยหนึ่งนะ ก็เรียกว่าให้ฐานที่ตั้งให้จิตเนี่ยมีความระลึกถึงนะจะพูดก็คือฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงเราจะใช้อะไรเป็นฐานที่ตั้งในการระลึกถึงดีนะอย่างอนาปนสติเนี่ยนะก็คือการระลึกถึงลมหายใจอนาปนะคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติคือการระลึกได้เพราะนั้นก็คือการระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็จะทาให้เหมือนกันกับ การที่ฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงซนะึ่งป<ฆ>ระชาบัญญตัติไว้4อย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของกายนะคุณเอากายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้ที<ฆ>นี้ถ้าเราพูดถึงการระลึกถึงระลึกถึงสติส ต, สติเนี่ยนะแสดงว่า<ฆ>คุณต้องระลึกจากอะไรสักอย่างหนึ่งคือคือคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณดึงกลับมามมีฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนั้นะก็คือว่าให้หลีกห่างออกจากอากุศลธรรม สมมติตรเราไปคิดเรื่องอากุากศลใช่ไหมแมนะ้ทำไมคนนี้เป็นอย่างนี้ทำไมบ้านเมืองเป็นอย่างนี้สังคมเป็นอย่างนี้ในะจิตรเราอยู่ในอากุศลละเราต้องดึงมันกลับมานะคือไประลึกถึงสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อากุศลเอ๊เราจะเอาอะไรเป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงดีละ่ะนี่ไงผู้เชี่ให้กายเอาไว้ก็คือเอากายเนี่ยเป็นฐานที่ตั้งการระลึกถึงให้จิตเนี่ยออกห่างจากอากุศลธรรมค่ะ กายในที่นี้คือกายในที่นี้คืออะไรบ้างผู้เจ้าไล่มาเลยนะตั้งแต่อะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนังนี่ก็เป็นกายนะไส้ในไส้น้อยกระดูกอะไรจะเป็นกายได้หมดนะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือลมหายใจนะกายที่เอตมาพูดมาตอนแรกพวกผมขนเล็บฟันหนังกระดูกอะไรพวกนี้นี่เป็นลักษณะของธาตุดินนะธาตุดินนี่เป็นของแข็งนะแล้วก็ธาตุน้ําก็มีเช่นเลือดเช่นน้ําเหลืองน้ำน้ำหนองพวกนี้เป็นเลือด อเป็นเป็นธาตุน้ำนะส่วนธาตุลมที่อนาปานสตินี่คือธาตุลมนั่นคือคือลมหายใจของเราค่ะงั้นในส่วนของประสูนที่ท่านมาพูดไปที่สรุปได้ว่าอานาปานสติบริบูรญย่อมทําให้สติปฐานบริบูรณ์ในส่วนของกายกายานุปัสนาสติปฐานก็คือธาตุลมธาตุลมนั่นเองอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นเรามารู้ได้ไงเรารู้ธาตุลมคือเหมือนกับว่า เวลาเราไปนั่งตกัตกตลมอ่ะหรืออยู่ในห้องแอร์เนี่ยลมมาดวนตัวเราอยู่ในห้องที่มีพัดลมพัดเนี่ยลมมาดวนตัวเราเนี่ยเรายังรู้สึกถึงการกระทบของลมได้ใช่ไหมคะเช่นเดียวกันเราต้องรู้สึกถึงการกระทบของลมหายใจของเราในโพรงจมูกได้ค่ ะ, ะแค่นั้นเองนั่นก็คือรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวออกยาวถูกต้องหายใจเข้าสั้นออกสั้นถูกต้องท่านคะทีนี้ผมมาถึงตอนที่บอกว่าเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะ ซึ่งกายทั้งปว ง, า ง, ปวงหายใจเข้าหายใจออกอมหมายความว่าอย่างไงครคะกายทั้งปวงคือกายในที่นี้เรากําลังพูดถึงธาตุลมอยูใ่ในกายคือธาตุลมเนี่ยถ้าเรามาเพ่งพินจพิจารณาให้ดีเนี่ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยลมหายใจของเราบางทีมันสั้นมันยาวมันเร็วมันมันช้าอย่างถ้าเราตอนกินอาหารเสร็จใหม่ๆองเนี้ยลมหายใจของเราจะถี่ขึ้นแต่ถ้าเราสังเกตดูเมื่อเปรียบเทียบกับตอนตื่นนอนใหม่ๆตื่นนอนใหม่ๆเนี่ยลมหายใจของเราจะยาวกว่า ตอนที่กินค่าวเสร็จใหม่ๆอันนี้เราต้องรู้ลงหายใจทั้งสองแบบนะคือหมายถึงว่าเราจะต้องสนใจอยู่แต่การสังเกตลมหายใจถูกไหมใช่ใช่นะคะถึงจะอยู่ในความหมายของการเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการทั้งปวงอหายใจเข้าหายใจออกและการในที่นี้ไม่ใช่กายอื่นเพราะเรากําลังพูดถึงธาตุลมลมหายใจเท่านั้นเองนะคะทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่า ตรงกายทั้งปวงยังไม่หมดนะคือมันยังมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยเราจะรู้สึกว่าลมหายใจเข้าเนี่ยมันเย็นกว่าลมหายใจออกลมหายใจออกเนี่ยจะอุ่นกว่านะบางคนนี่ไม่ใช่แค่นั้นนะคือลมหายใจเข้ารูเดียวออกรูเดียวก็มีคนเป็นเป็นวัดนะเข้าสองรูออกรูเดียวก็มีบางคนก็เป็นนะคือคือกำลังพระพุทธเจ้าพยายามจะอธิบายอะไรตรงนี้นะคือไม่ว่าลมหายใจประเภทไหนเนี่ยนะคุณเอาเป็นฐานที่ตั้งของสติได้ทั้งนั้น เอาเป็นฐานที่ตั้งกันระลึกถึงทางใดทางนั้นไม่จําเป็นต้องแต่งลมหายใจให้มันสั้นมันยาวมันถี่มันเร็วมันหา่างมันร้อนมันอุ่นไม่จําเป็นค่ะนะแบบไหนใช้ได้หมดรูเดียวสองรูใช้ได้หมดนะท่านปีนบุญคะงั้นถ้าสมมติว่าในกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีความรู้สึกว่าลมหายใจกระทบโพรงจมูกอืแล้วจะสามารถสังเกตลมหายใจได้ไหมคะนี่ไงจะมาถึงจุดที่เรียกว่าทําการปรุงแต่งทางกาย ให้ระงับนั่นก็คือตะกี้เรารู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงใช่ไหมค่ะทำาการปรุงแต่งทางกายให้ระงับค่ะถูกไหมอันนี้คือจะยังอยู่ในหมู่ของกายค่ะเพราะนั้นบางทีเนี่ยการปรุงแต่งทางกายคืออะไรคือลมหายใจเนี่ใช่ไหมค่ะคือลมหายใจนะมันระงับไประ ง, งับไปนะระงับไประงับไปเนี่ยมายควว่าไงหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยน้อยลงน้อยลงนะบางทีสั้นลมหายใจเนี่ยแผ่วบามากจนแทบจะไม่รู้สึกเลย แต่มันต้องรู้สึกแน่หลับว่าไม่งั้นมันจะมันคงจะไม่อยู่แล้วคือคงจะตายไปแล้วแต่แต่เรายังหายใจอยู่นะแต่สัมผัสนี้มันแผ่วเบามากนะแผ่วเบามากเราก็รู้ในลักษณะแผ่วเบานั่นอยู่ต่อไปนะคือมันเบาน้อยๆนยเหมือนกับว่าสัมผัสนิดเดียวแต่แต่มันมีอยู่อ๋อก็จะมาเข้าขายอยู่ในเรื่องของการ ทำการสังขารให้รำงับอยู่หรือทําการปรุงแต่งให้รำงับนั่นเองตัวว่าสังขารในที่นี้หมายถึงการปรุงแต่ง่มีนิดนึงมีแพทย์หญิงคนหนึ่งก็เคยมาถามมาตมากขาถามว่าเอตอนที่จังหวัดลมหายใจมันเข้าเนี่ยแล้วมันยังไม่ออกเนี่ยนะจังหวัดนั้นมันมีหยุดนิดหนึ่งหรือจังหวัดที่ลมไายใจออกแล้วยังไม่เข้าเนี่ยช่วงที่เรากำลังจะเปลี่ยนจังหวดลมหายใจเนี่ยตอนนั้นมันมีหยุดนิดนึงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่มีสัมผัสของลมหายใจแล้วเราจะเอาจิตของเราไว้ที่ไหน โอ้นี่เป็นคำถามที่ดีมากแล้าละเอียดมากเลยนะนะคำตอบก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีการหยุดการปรุงแต่งนิดหนึ่งใช่ไหมเออก็คือให้เอาการระลึกถึงของเราเนี่ยไว้ที่ตําแหน่งเดิมนะที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของโลมหายใจครั้งล่าสุดได้ค่ะเนาะก็คือไว้ที่เดิมนั่นแหละเพราะตรงเดิมตําแหน่งเดิมที่เรารู้สึกลกมหายใจมันก็เป็นกายเหมือนกันแต่เป็นเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่ในโพรงจมกูกนะนั่นก็คือเป็นธาตุดินเนาะนะค่ะแล้วมาถึง ในท่อนที่ว่าในสมัยนั้นพิกษุนั้นชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินําอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ค่ะตรงนี้โดยภาษาบาลีเขาต้องแปลอย่างนี้นะคือเป็นผู้ตามเห็นกายในกายเพราะว่าลักษณะศัพท์มันต้องออกมาเป็นอย่างนี้แต่ว่าการดูลมหายใจเนี่ยต้องบอกนิด น, นึงว่าไม่ใช่ตามลมนะคือคือ คือถ้าแปลบาลีมันต้องออกมาเป็นอย่างเงี้ยแต่ามาก็ไม่รู้จะแปลอื่นว่าอะไรก็ต้องแปลตามที่พู้เจ้าที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านแปลไว้ก็ถูกต้องอยู่แล้วแต่ในทาง<ค>ปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ตามลมนะคือสัพ์มันออกมาเป็นงี้จริงอยู่แต่ถ้าบูบาลีเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่รู้เฉยนะคือเวลาลมเข้าลมออกเนี่ยเราไม่ได้ตามลมเข้าจนไปถึงปอดถึงกระบังลมถึงท้องไม่ใช่เราไม่ได้ตาม ล, า ล, อล ม, อ, ม, ม, มลออกจนถึงปลายจมูกถึงฟันถึงก้างนอกนู่นไม่ใช่ แต่เราเป็นผู้ที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง ค, ค, ค, คือหมายว่าเราแค่รู้เฉ <c oughs> ยๆรู้เฉยๆรู้ลมหายใเฉยไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมอันนี้ต้องระวังให้ดีค่ะ<น>ะแล้วพระพุทโธงก็จึงตัดสรุปในท่อนนี้ว่าเอเราย่อมกล่าวลมหายใจเข้าและลมหายใจออกว่เาเป็นกายอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในบรรดากายทั้งหลายใช่ค่ ะ, <น>ะอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งในกายทั้งหลายนี่นกายทั้งหลายนี่มีกายอะไรบ้าง เออคุณโยมตีก็ว่ามีอะไรบ้างเนะเล็บของเราก็ใช่นะไส้ของเราก็ใช่เนะื้อเลือดของเราก็ใช่พวกนี้เป็นกายอย่างอื่นอื่นทั้งหมดเลยลมไายใจก็เป็นอย่างหนึ่งออมไม่ว่าจะเป็นของเลวของแข็งเป็นธาตุล ม, มได้หมดค่ะแล้วถ้าจะสรุปให้เข้าใจง่ายๆาว่ากายทั้งปวงเนี่ยถ้าจะให้คำขยายความง่ายๆมีไหมคะ ก็คือผู้เจ้าใช้คําว่ารูปรูปรูปก็คือสิ่งที่แตกสลายได้นั่นก็คือท่าดินท่าน้ํา่านฝ่ายท่านลมนั่นเองค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันกำลังพยายามให้ท่านเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าได้ปฏิบัติแล้วก็รู้ลมหายใจอย่างที่ท่านมากหรือว่าท่านพิบูณลได้พยายามที่จะนําเราว่าพระพุทธองตรัสสอนไว้อย่างนี้แต่ให้เข้าใจพู้ทวจนะโดยละเอียด ในบทที่ท่านกำลังบอกว่าถ้าเราเจริญอาณาปานาสติแล้วเราก็สามารถทำสติปฐานทั้งสี่ให้บริบูรณ์ได้วันนี้อธิบายแค่สติปฐานแรกคือกายานุปัสสนาสติปฐานและในที่นี้หมายถึงกายที่เป็นาธาตุลมเพราะเรากาลังพูดเกี่ยวเนื่องกับอาณาปานาสติที่แปลว่ามีสติอยู่กับลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งถูกไหมใช่ถูกต้อง ค่ะท่านพิบูลคะ่ะขออนุ ญ, ญาตสรุปตรงนี้เพราะเวลากำลังจะหมดแล้ว น, นะคะดะิฉันก็กราบน้อมักการขอบพระคุณท่านพิบูลเป็นอย่างยิ่งเลยที่ได้สละเวลาแล้วท่านพบูลเองกับหลวงพ่อดออรสะอาดท่านเจ้าวาดวัดปา่าดอนหายโศกท่านก็ทํางานในเรื่องของการสอนพวกเราปฏิบัติธรรมมาถึงวันนี้นี่ นับเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วคะที่จัดเดือนละครั้งเนะะีนะ่ยค่ะอืมสี่สิบามนะสีิบสามบางทีก็นับมันจะไม่ค่อยถูกก็เลยสี่สิบสามมาว่าใช่ใชก็ทาหารเป็นปีก็สามปีเสร็จแล้วใช่ใช่ใชดังนั้น<ๆ>ดินแดนของวัดป่าดอนไฮโซนันก็จึงเป็นดินแดนที่กลุ่นไปด้วยบรรยากาศของผู้ที่ฝ่ปฏิบัติกุศลเยอะนะคะอ่าที่นั่นจะทอดกระถิถ่งกันวันที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนวันนา ป, ป่าพงของท่านมารททอดวันที่สี่พฤศจิกายนก็จึงบอกบุญให้ทราบโดยทั่วกัน และกราบน้มสักการของพระคุณท่านเพบูญไว้ในโอกาสนี้นะคะเชิญบานอมสักการณ์ค่ะท่านฟังที่ครบค่ะนี่คือรายการสันสนีสนทนาดำเนินรายการโดยดิฉันสันสนิษฐานาพงระยะนี้นอกเหนือจากจะรักษาจิตด้วยการที่ปฏิบัติตามธรรมของประสาสดาแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะค่ะรายการของเราจะมาพบกับท่านฟังกันเป็นประจำทุกวันจนันทร์ถวันศุข ตีสถึงอขออภัยค่ะนที่ฉันจะไล่ตัวเองไปอยู่เช้าเปเสละตีห้าถึงตีห้าครึ่งพรุ่งนี้ก็เชิญมาพบกันใหม่ที่ FM 106ร้อยหกครอบราครัวขาแห่งนี้นะคะพู้ทวสวัสดีค่ะ